วัฒนธรรมในสมัยราชวงศรถังซึงเป็นวัฒนธรรมแบบพุทธศาสนาแต่หลายไปแล้วประเทศไตแลมเกาหลีเือประเทศโกกุระก็รับพุทธศาสนาไปจากจีนพร้อมทั้งวัตถีกรการของแบบจีนไปตั้งห่ังที่บบทททหลังก็ตั้งรัฐาตั้งในเกาหลีไม่ผ่านพระเจาแห่งเมืองเกาหลีก็เลยส่งพระพุทธรูปแล้วก็ทำทีไปให้ัาาบแต่ก็พัฒนน สำหรับไระเช่ญี่ปุ่นนั้นเราต้องทำตา้า ใ, ใจว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะซึ่งมีมหาสมุทรล้อมรอบแ่ะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นจึงสามารถดำารงรักษาเอกราชษและวัฒนธรรมอารยธรรมของตัวตลอดมาถึง 2,000 ปีเศษ เขถือกันว่าราชวงศ์กระป๋ดที่ปกครองญี่ปุ่นเป็นราชวงศ์กระป๋ดที่เก่าแต่ที่สุดในโลกเพราะว่าตั้งแต่มีกระป๋ดเป็นต้นมาไม่เคยมีการเปลี่ยนราชวงศ์กันเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อถือของชาวญี่ปุ่นครับว่าสืบมีจกักรพรรดิสืบทอดมาตั้งแต่ปฐมมเหตุกระทั่งบัดนี้สาม ร, ารอ้อยกว่ า, าองค์แล้วตลอดระยะเาสองพันกว่าปีมีพระมหาจกษัตริย์สื้ทอดในวงเดียวกันคือวงนิกานิกาโดนิกาโดอาสามร้อยกว่าองค์กันตอนนี้ผู้ไม่ประเทศของญี่ปุ่นนั่น มือเป็นประเทศที่เดียววายอยู่ในเขตหนาวองุ่นไม่มีอากาศร้อนเลยที่เขตหนาวก็ตั้งหมู่กาะสการีินขึ้นไปกับที่ติดต่อกับไปเบียร์ซึ่งไปเป็นเขตหนาวอากาศอบอุ่นลงมาก็ได้แต่เกาะเข้าไปโบเกาะคิวคิวซึ่งป่าลงมาอากาศก็อบอุ่นหน่อยแต่ที่ว่าอบอุ่นน่ะทั้งฤดูหนาวก็บชิมะเต็มทั่วประเทศไปเหมือนกันญี่ปุ่นมีตกาะใหญ่น้อยหลายร้อยหลายพันเกอะตอนไม่คิดทะเลแล้วเมื่อที่เล็กกว่ประเทศไทย เกาะต่างๆนี่รวมกันแล้วในที่แกประเทศไทยแล้วเกาะที่มีผู้คนอยู่อาศัยคับข้างก็คือเกาะคอนชูเกาะคิวชิเกาะฮอกไกโดนี่หมูกก่เกาะพวกนี้เป็นเกาะใหญ่มีฟุรุเมืองชาว ญ, ญี่ปุ่นมาตั้งบ้านตัางเมืองเป็นคับข้ังและเป็นศูนย์วัฒนธรรมอารยธรรมโบราณของญี่ปุ่นด้วยศาสนาประเพนมีนชาว ญ, ญี่ปุ่นแต่เดินก็เป็นศาสนาบูชาพระพุทธเจ้าอ่าเรียกว่าศาสนาคินโต คำว่าชินโตนี่ก็แปลว่าวิถีแ ห, ห่งสว่างหรือวิถีแห่งความบริสุทธิ์คือวิถีของพระเจา้าชินโตชินโตนี่ต่างกับภาษาชินะในอินเดียเสียงมันก็ชินชินเหมือนกันในเมื่อเราพูดภาษาไทยแล้วบางคนก็เข้าใจผิดไปคนภาสนาชินะเข้าภาษาชิ น, าช น, นะว น, นะวหนึ่งภาษาชิตนโตอีะส่วนหนึ่งชิตนโ ต, นตเป็นเสียงญี่ปุ่นส่วนชิ น, นะหนึ่งเป็นเสียงภาษาังกฤษหรือไชนะในภาษาภาษาบาลีเป็นชินะภาษาอังกฤษก็เป็นไชนะ จึงเป็นศาสนาเรือดพี่อันหนึ่งของอิครนาสบุตรมหาวีระเป็นบุตรต่างเรายุติศาสตานไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกศาสนาจิมโตแล้วครับคราว้เมื่อชาวญี่ปุ่นอ พ, พยพเ ข, ข้ามาเ้านนเล ก, เเ ก, กล่าวกันว่าญี่ปุ่นนี่ยมีเลือดเป็นโปรตีเซียนบนกระมวลกระโที่เรียว่าจิตเป็นมีเลือดโปรตีเซียนก็เพราะว่าชาวญี่ปุ่นมีโรคอย่างพวกโปรตีเซียนเป็นพวกโปรตีเซียนนี่ก็ได้จากบรงตุรุษธ์เขาบอกมาลามาเลย บรรพบุพรุษของชวาวนิสุมากรแล้วก็บรรพบุรุษของพวกฟิลิปโนโพวกนี้เดินเรือเกงแล้วก็เข้าใจว่าในหมู่เกาะทะเลใต้กระทั่ถงถึ ง, ถงหมู่เกาะ อ, อิตอินเดียนั้นพวกโพลินีเซียนเนี่ยได้ลงเรือไปท่องเที่ยวไปตั้งบา้านตั้งเมืองในหมู่เกาะต่างๆมากและไปกลายกระทั่งเชื่อกันว่าไปถึงทุ่ยอเมริกาใตาย้ยังเชื่อกันอย่างนั้นเพราะว่าในทุ่ยอเมริกาใตา้อาจจะมีพวกชนเผ่าเผ่าพื้นเมืองซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับพวกโพลินีเซียน ก็เป็นไปได้แล้วในหมู่เกาะอย่างเช่นในหมู่นิวซีแลน่์ก็เป็นคนโพลินีเซียนไปตั้ง MM บ้านตั้งเมืองตั้งรากตั้งฐานกันอยู่มากมายสรุปได้ว่าในสมัยโบราณพวกโพลินีเซียนเป็นเจ้าสมุทรเดินเรือเก่งเราไม่กลัวภายในทะเลพวกนี้จึงได้แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปแตตั้งถึงหมู่เกาะญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นแท้ๆก็มาเฉพาผ่าโพลินีเซียนโดยเฉพาะหากว่าเป็นชาวเผ่าผสมคือพอลินีเซียนผสมกับมงกุลอยที่เป็นมงกุฎลอยก็ได้แต่ เป็นพวกมองโกียที่อพยพมาทางเหนือโดยเดินทางผ่านแหลมมันจูเรียแล้วก็เวลานั้นมันจูเรียกับเกาหลีนะี่ยเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันกับหมู่เกาะญี่ปุ่นมหาสมุทรยังไม่ได้มาตัดขาดแผ้นดินแยกจากกันเมื่อเวลาหลายหมื่นปีมาแล้วการเดินทางจึงไปมาทางบกถึงกันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อพยพกัมาในหมู่เกาะญี่ปุ่นแล้วมาผสมพันธ์กับพวกโปริีนีเซียนกลายเป็นชนชาติญี่ปุ่นขึ้นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจึงมีลักษณะผสมระหว่างมองโกลอยกับโปรินีเซียน โลกที่เต็มกมพันที่เต็มและการเป็นเรือที่เก่งก็เอาแบบจากโรมีเซียนมาคพืนผิวนั้นเอาแบบจากมงกลลอยมารวมแสงกันกสําผลิตวิชาญี่ปุ่นขึ้นมเมื่อยุคแรกญี่ปุ่นก็ยังปากเพือนอยู่ยังเป็นพวกราสต่อมาเมื่อติดต่อกับประเทศจีนก็จําแบบวัฒนธรรมจีนไปรวมทั้งตัวอักษรวรรณคดีศิลปะต่างๆก็ขนไปจากเมืองจีนหมด การที่วัฒนธรรมของจีนแพร่ไปในญี่ปุ่นนั้นก็แพร่ไปในราวศตรวรรษที่สหลังศุกพักริมีพ่านคือในสมัยจกักรพรรดิชินสือหวางกําลังขอเรชาวภาพอยู่ในประเทศจีนวัฒนธรรมอันนี้เดือดแฉะกันไปเขาเชื่อกันว่าพระเจ้าชินสือหวางเนี่ยราคะน้าจะเป็นอมต่จึงได้ส่งคนไปสืบหายาอันยิวัฒนะตามประเทศต่างๆรวมทั้งหมู่เกาะในมหาสมุทรแล้วก็มีมีคนพวกหนึ่งเอาพาเอา ลูกเน็เด็กแดงทั้งชายทั้งหญิงกลุ่มหนึ่งหลายร้อยคนลงเรือสัมพันธหลายหลายสิบลำอพยพมามาตั้งชาติขึ้นในญี่ปุ่นโดยผสมตะโพกพื้นเมืองแดงกลายเป็นชาญญี่ปุ่นขึ้นนี่เชื่อกันในตามตำนานของจีนอย่างว่าอย่างนั้นอย่างไั้ก็ตามญี่ปุ่นกับเกาหลีก็สัมพันธ์กันมากระทั่งถึงตวารีสิบสองพระเจ้าแผ่นดินเกาหลีคือพระเจ้าแผ่นดินเมืองโกกุระจึงได้ส่งพระพุทธรูปแต่พระคมพีเข้าไปให้จักรพรรดิญี่ปุ่น จากระเทศญี่ปุ่นเวลานั้นเตือนพม่าว่าพระเจ้ายินมูเทนโนจากประเทยินมูเทนโนจากระเทศยิมูเทนโนนี่ก็ยังไม่แน่ภายในการที่จะรับศาสนาใหม่เข้ามาจึงได้มอบศาสนานี้ให้กับขุนนางตระกูลหนึ่งไปลองรับถือดูต่อมาขุนนางตระกูลนี้ได้ยึดอํนนานาจทางการเมืองสําเร็จก็ได้ใช้อิทธิพลจัดลงพุทธศาสนาในญี่ปุ่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาในญี่ปุ่นเราก็พูดได้ว่าได้ตั้งมั่นขึ้นในศตวรรษที่สิ จนกระทั่งในสมัยศตรวรรษที่ 13-14 ซึ่งเป็นยุคทองทางศิลปะของญี่ปุ่นเอาเวลานี้ราชฎานีเขงญี่ปุ่นไปตั้งอยู่ที่เมืองนาราเมืองนาร า, เ ม, า, ราเมืองนาราเวลานี้ก็เป็นเมืองที่มีวัดวาอารามในพุทธศาสนามากเฉินจ้าจำในเศษไม้เหตุโบราณว่าเมืองนารามีวัดพุทธศาสนาถึง 3,000 วัดกว่างี้อัแต่ว่าอายุในสมัยนารานี่แหละได้มีจักรพรรดินีของญี่ปุ่นที่ว่าจักรพรรดินีซุยโก้ที่มี นายกรบฐมนตรีเป็นเจ้าภายรัชภายาชื่อว่าเจภายโทโตะกภไยชิสจายโทโตะกภไยชินี้ได้รับ ส, สมยาว่าเป็นอโศกแห่งญี่ปุ่นเพราะว่าพระองค์เป็นคนแรกที่ได้ตราทำนูนการปกครองแผ่นดินโดยเอาหลักพุทธปาสนาเข้ามาเป็นประทับฐานโทโตะกุไทชิ น, นี้แล้วก็พระองค์ได้ศึกษาพระไายปิฎกจนแตกฐานจนกระทั่งเขียนอัจฉริยะประศูนย์สคัญในพุธศาสนาขึ้นหลายสูตร ยกตัวอย่างเช่นเขียนอัตถกถาวิโมรีรติมิเทสูตรซึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายุอิมะเกียวแล้วก็สัทธมมาพุนธริกเูตรอัตถกถาสัทธมมาพุนธริกสูตูนี่เรียกว่าโฮเรงเกียเกียวอัตถกาถาโฮเรงเกียเกียวอันนี้สองขุดกันปัจจุบันนี้ลายประหัตของตุภายโตโตุไหชิยังเสบรักษาอยู่ในวัดโบราณแห่งหนึ่งในเมืองนาราอายุกว่าพันกว่าปีมาแล้วซึ่งเมื่อเราหากมีโอกาสไปชมโบราณสถานในเมืองนาราและอาจจะไปชมคอร เขาชมลายประหั ต, ตของเจ้รราชายโชโตกุไทยชี้ติเชียนอาจารย์พระตสูงสองสูงนี้ได้เจ้าชายโชโตกุไทยชี้ได้สร้างวิหารสําคัญแห่งหนึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าวิหารจตุโลกบาลประดิษฐานท่าจตุโลกบาลมณีแล้วก็ได้หลอพระพุทธปฏิมาที่มีชื่อเสียงจนปัจจุบันนี้ยังตั้งมุทายอยู่คือพระพุทธปฏิมาที่มีพระนามว่าเทศัิยาคุรุเทศัิยาคุรุ เ, รเวลานี้ยังอยู ตัู้ชายอยู่เป็นพเทวทูตที่เมีอยุพันกว่าปีมาแล้วยุคนี้เป็นยุคที่พุทธศาสนาเข้าไปบ้านโป่งมือมากแล้วก็จะใายโตตูกใช้ชีได้อาศายหลักอัอกขุโสนกรรมบทศิษย์หลักอักขุโสกรรมบทศิษ์มาประยุกต์เียนเป็นปรัฐธรรมนูญฉบับแรกปกครองประเทศญี่ปุ่นโดยอาศัยหลักธรรมในพุทธศาสนาสมัยนี้พุทธศาสนาที่เดินผ่านเมืองจีนไปญี่ปุ่นนั่นก็เป็นนิกายพุทธศาสนาที่เรียวกว่านิกายฟันรอนนิกายบูชา การรอนใกคูพาแล้วก็มีในกายเช่นได้แล้วก็มีในกายโอเยนซึ่งเป็นแพทย์หลายเข้าไปเป็นในกายสาคัญในญี่ปุ่นคนจากสมั ย, ยท่านโซเโตะโอไทชิแล้วก็เป็นยุคที่พระญี่ปุ่นเริ่มต้นเดินทางมาศึกษาในประเทศจีนพระญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงสองรูปในศตวรรษที่สิบห้าก็คือท่านโตโดดดไดชิดองหนึ่งกับท่านเบงเจียวไดชิอีหนึดด่งอ่าโตโบไดชิผู้นี้ ในเดินทามารับมุนตราพิเศษในไทยมันตวักรเยววัดมังกรเขียวในพนระนครลกเอียงตัวอย่างในกีนเหนืออาตั้นผู้นี้มาอยู่เมืองจีนเพียงเจ็ดเดือนก็ได้รับอาวุธรมคำทีศิลปะต่างๆรวมทั้งความแตกฉานในเกมจกในพุทธศาสนากลับไปญี่ปุ่นเมื่อไปญี่ปุ่นแล้วจากาพระจีญี่ปุ่นได้พระราชทานภูเขาลูกหนึ่งนอกเมืองเกียวโต ข้าเขาโกยาปางพวกเขาโกยาปางให้ท่านเป็นรรมนิยัตสถานท่านจึงได้สร้างวัดขึ้นบนยอดขอเขาโกยาแล้วก็ได้จุดปที่พิเศษดวงหนึ่งเป็นพุทธบูชาเรื่อยมาปที่ดวงนี้กล่าวกันว่าไม่เคยดับเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านโกโบไดสิไดจุดถวายเพราะว่าบรรดาสารมิตในี น, นกายนี้ต่อตอมาได้ช่วยกันเติมน้ํามันไว้เรื่อยประกอบปที่จะให้ดับแล้วก็าหาว่ามีการเสลี่งใสายตะเกียง ก็ใช้วิธีต่อเอาไฟไว้ให้ปะเจียงสำรองอีกดวงหนึ่งเมื่อเพลี่ยนใต้เรียบร้อยแล้วก็เ อ, อาไฟขึ้นต่อไปแล้วเนี่ยกลับคืนไปสู่ดวงเก่าจริงเก่าวได้ว่าเป็นประที่ 1, ทันซีจริงๆไม่เคยดับเลยตั้งแต่พศ1500เป็นต้นมากระทั่งแัดนี้อาโโบย่าชิได้ดับคันเมื่มอยุค60ท่านได้เป็นผู้ให้กำเนิดอัการญี่ปุ่นด้วยว่าฮิฮฮราชนะขึ้นมาอักรญี่ปุ่นน่ะงแต่ตางประเาตุอักรจีน เป็นอักษรที่ท่านที่สุดในพุทธศาสนาคือท่านโกโบเป็นผู้ให้กำเนิดและท่านผู้นี้ได้ให้กำเนดิดศิลปะการวาดเขียนจิ ต, ตรรมของญี่ปุ่นขึ้นรวมทวั้งวิธีการทงชาอันเป็นวิธีการทงศิลปศิลปะที่ชาวญี่ปุ่นภาคภูมิใจว่าเป็นชาติแรกที่มีศิลปะในการทงชาเราจะกินน้ำชาทีแค่คิดอย่างเราก็ง่ายๆเอาน้าชาใส่ต า, านเขาแล้วตอนน้ำร้อนทงใส่ก็กินแต่ญี่ปุ่นเขา ไ, ม, ไขม่ง่ายเลยเขามีวิธีรีตองเื่อเวลาใจต้มตักน้าตักน้ําจืด ไปต้มก็มีจะจับจะจับตัวตักน้ต้องจั บ, จ บ, จบมือไหนแตะนิ้วไหนก่อนแล้วก็ตักตัก ต, ต้องลิงกีหงอนน้ำใสกี่ร้วยมีวิธีการหมดมัจะว่าตักแล้วตัก โ, มโมคมงลงปแล้วก็มหรือแล้วก็ชงกินไปค่ขั้นพอเดือดแล้วต้องมีวิธีลึก ทแต่มอหน้ำร้อนเนี่ยิ ก, ยกี่กลับอันนุมไปทางทิศไหนล้วนมีศิลปะหมดอ่าเมื่อทิเสรีร้อยแล้วต้เสรีรอยแล้วจะเชงจะช่วยเปล่านะเอาช่วยลูกนี่ก่อนจะมาวางแต้วก็วางยังไงเอานิ้วไหนแตะก่อนเหมือนไปทางไหนแล้วเชงนะเชงขี่หนเชงขีีมือหมดวางช่วยขาก็มีศิลปะอ่าวางขาหน้นร้องก็มีศิลปะวางต้านชาดิบดต้านชาล้วนมีศิลปะหมดแล้วก็ถึงเวลาจะเปิดปากปิดสั้งขาก็มีศลปะ แล้ม่ถึงไปถึงิตอย่างเราโอ้หไม่ใาาชา่ต้องจิตีทีแล้วลิ้นเรียน้ปากสีหนนมีหมดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะกินน้ำชากระโนหนึ่งแหมทุรักทูเลและเกิอนบอกขันใจเราเ็าเลยจริงๆแล้วหมากแล้วมวนลที่ทั่งเต็มไปด้วยศิลปะไปสมดแต่เขาก็ภาคภูมิใจเขาบอกศิลปะแบบนี้นะศิลปะชั้นสูงฝึกให้คนมีสมาธิ เพื่อใคนมีกำลังใจเพื่อใค น, นรู้จัจกความอดทนรู้จักโหราจักความสงบเสงี่ยมเขาบอกเป็นธรรมะหมดอันนี้ก็ได้กาเนิดมาจากอิกษษทธิพลของคุตตตานโตโาที่ท่านโคโบไดขิตนําเข้าไปเวลานี้ป้าจบทุกท่านโตโบไดชิตยังอยู่ท่านเข้าสมาธิตายตัวไม่เน่านะทาา่านโคโบไดยิตอะเข้าสมาธิตัวไม่เนา่าดับใจดับขันใสไปนั้นล่างท่านเข้ า, า, า, า, าลงวักสิดคแล้วก็เอาไปบรรจุไว้ใน ก, กรุพระดียองค์ใหญ่บนยอดเขาโคยา วันหนึ่งพอถึงวันวันตายของท่านเนี่ยสาวกในนิกายท่านขึ้นมาบูชาที่เ่าเขาโกย่าจํานวนหลายหมื่นคนท่านเป็นผู้ให้กาเนิด น, น, น, น, น, น, นิกายนิกายชินเงินในญี่ปุ่นนิกายนี้นิกายนี้ปัจจุบันก็ยังมีสาวกสังกัดอยู่จํานวนหลายล้านคนในประเทศญี่ปุ่นท่านอ า, าจารย์ญี่ปุ่นลูกที่สองคือท่านเดงโยเดงเจียวท่านเดงโยเนี่ยเข้ามาลงเรือตั้งทามาคนลลานุนเรลามกับท่านเซโโบเป็นคนสมัยแผ่นดินเดียวกัน ลงเรือมาสัมคุณละลัมมาจะมาศึกษาพุทธศาสนาในเมืองจีนมาสันคุณละลัมแล้วก็มาขึ้นต่างคนณละฝั่งคนเด้งโยได้มันใช้ชีวิตบนภูขเขาเน็นเทียนายในเมืองปนจีเทียงในเมืองจีนแล้วก็ศึกษาเอาวัฒธรรมนิกายเน็นเทียนายของจีนไปแต่ไปญี่ปุ่นท่านก็ตั้งชื่อชื่อสำนักที่านาศึกษามาให้ชื่อว่าเชนไดชูนี่ไกเชนไดชูนิกายนี้ก็เคารพเขาสู่สําคัญในพุทธศาสนาสู่วัฒนธรรมปุณธริกา เป็นใหญ่โฮโฮเรงเโฮเรงเจโยคือสัตธรรมะพุทธิกาเป็นใหญ่ขึ an, ้นมาอต่อมาในกายนี้ได้เกิดสาขาอีกมีกายหนึงขึ้นมาเราลาวสมัยสุโขทัยของเราเนี่ยมีกายเทนเทนไดเนี่ยได้เกิดสาขาอนุนิกายใหม่คือนิกายนิกิเรนมีกายนิกิเรนตั้งขึ้นโดยท่านนิกิเรนโทนิงซึ่งเป็นคณาจารย์มีชื่อของญี่ปุ่นนั่นการนิกิเรนโทนิงผู้นี้เมื่อตั้งนิกายนี้ขึ้นแล้ว ท่านถือเอาคําขวัญคือถือเอาหลักประปูดในโฮเรงเจียกโยเนยเป็นสิ่งสําคัญแทนที่จะเปลี่ยนคำนรมาสการพระพุทธกับพระสงฆ์ท่านเปลี่ยนคำนรมาสการพระธรรมอย่างเดียวว่านาบูมโยโฮดึงเกียกโยนาบูมโยโฮดึงเกียกโยคือหมายความว่าขอความนอกน้อมจะมีแก่สัทธมภูนภริกะหรือจะสว่ารัน์ตามเสียงสรรเสริญก็เป็นนรมาสการัทธมภูนภริกายักษ์ตรายัว้อย่างั้น อันนี้ในระหว right ่างสงครามเอเชียบูรพามีพระอิการ์ิเรนเข้ามาในกรุงเทพหลายหลูกแล้วมาตั้งสำนักที่วิหารญี่ปุ่นที่วัดวัดราชบูรณะที่วัดเหลี่ยมทางรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาเช้าๆก็ถือกอลูกหนึงตีบังบังบังบังบังเดินลาตะเวนฝากก็ทำนโมเมโยเมโยเลงเยโย มูมโยเรื่องเกียวร่อเียแล้วในในองลูกนั้นก็ใช้อักษรเขียนเป็นตัวจีนว่าขอความนอบน้อมตรงมีแก่พระคุณฤกกรตูนเนี่ยเดินอยู่เดินท้าสะพานหันมาทังเอ่อพระหุรัพน์ลุทะลนน์อ่าเฉลิมตงแล้วก็เดินย้อนกลับไปที่วัดเดิมเนี่ยทุกข้าเลยเดินกลุ่มละลูกสองลูกเนี่ยเห็นทุกข้าตอนนั้นุเป็นนักเด็กๆนักเรียนอยู่ ประเด็นโรงเรียนโกุล่าวเห็นทุกภาตเวลาที่ไอ้พูพูกเาล่า น, นี้พระเหล่านี้ออกมาเดินตรวจกันอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านเหลา่านี้เปสนฝูงอั น, นตรายอยู่ในกายไหนอ๋อใครรังยิงฟากว่าท่านเป็นพวกมีกายนิจเรนซึ่งตั้งในท่านนิจเรนโชนึน่งได้เป็นผู้ที่อ่าตั้งในกายนี้ให้เผยแผ่ในกายสัตยธรรมคุนธริกะโดยเฉพาะขึ้นต่อจากท่านเริงเกียวไดเริงเกียวได้ฉีกไม่ชา้ า, าก็มีคณะอาจารย์ที่ศึกีกหลายรูปคือท่านโอนโชนึ่ คนโฮเลนโชเล่นรูปนี้ไม่ตั้งนิกายสุขาวดีหรือหรือิเดียกกันกันว่านิกายสโยโดนิกายสุขาวดีก็รับมาจากมังซินแล้รครับต่อ่าพัฒนาคาญี่ปุ่นทั้งดุนอะลอกแบบมาจากจีนหมดส่งมาเรียนจากมงซินแล้วก็ลอกแบบไปหมดนี่นี่นิกายสโยโดต่อจากนิกายสโยโดอาศัยมุสุดผือท่านอีกรูปหนึ่งชื่อชินรานโหรไม่ตั้งนิกายชินขึ้นนิกายนี้ก็เป็นนิกายแบบแนวซหน่อยคือเริ่มจายการให้นักโทษมีภรรยาไา้ ค่านคงจะสงสัยว่าญี่ปุ่นน่ะทำไมเขาไมู่มีเมียตั้งครอบครัวอยู่ในวัดลราก็ไปเมียตรงั้นแหละวัดก็ไปมอรเบศตกพ่อแห่งหลานเหรหลนไจะเอาว่ามีเมียมีเมียเรยังไงกันยกหม้อให้กันดเราหาว่ารญี่ปุ่นไม่เคร่งคัดเป็นพระปรราชิกหมดทั้งประเทศว่าอย่างงั้นแต่อันที่จริงนั้นน่ะเขามันดเป็นข้อสงอย่างเรานึกรอคือว่ารญี่ปุ่นน่ะประสมบโดยวิธียับยิจะตุกตะมวาจาตามแบบมินัยกรมติดต่อเรื่อมากระทั่งราวศตวรรษที่18ก็เลิกรวมไป นะตั้งแต่พศพันสองรอยถึงพศพัน0ปด้อ ย, อขอขออ 8, อยมีพระสงฆ์แบบที่ว่าถือพรมจันทร์แบบเทราวาทเนี่ยหรือพรมจารย์ถือพระพินัยในญี่ปุ่นมีแต่ว่าพอบอกมาในสมัยศตวรรษที่สิสมัยท่านินรานโคลินนี่ท่านคินรานได้รับการกดดันทางการเมืองกดขี่ทางการเมืองเป็นเหตุที่ท่านถึงจากพระ แล้วก็ตั่งมีกายชนิดทีว่าเป็นฆราวาสแต่ครองเคร่องอย่างอนุป่าวธนาจารย์ไม่อยู่บ้านแต่อยู่วัดเป็นฆราวาสที่อาศัยวัดพุ่งง่ายแล้วก็มีลูกมีเมียออกลูปออกเต้าหรือว่าวัดเป็นมรดกส่วนบุคคลรับมอกให้ลูกหลานได้เพตอะนั้นมีกายอื่นๆที่ยังถือบรมจารย์อยู่เอ๊เข้าทีแห่งมกายนี้สบายไม่มีลูกไม่เต้าได้ก็เลยเอาอย่างฝึกกันมาเป็นเท่าทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พระญุ่นจึงไม่มีพระลูกหลายที่มีฐานะที่เลียกว่าเป็นทิกษุด ตามแบบิณายในิยมเพราะไม่ได้บวชด้วยรฤทธิ์จะเป็นมวาจาต่อหาว่าบวชด้วยการรับใบธรนคมแล้วก็เป็นสฤศิกขันนั้นเองเพราะเหตุนั้นเราก็ไม่ไปลงโทษว่าพระญี่ปุ่นนี้ไม่เข่งถ้าเขาไม่เสดพระอย่างเราเรานึกเขาเป็นเพียงแต่อันุสาสนาจารย์แต่ว่าเป็นอนุสาสนาจารย์ที่อาศัยอยู่ในวัดไม่ออกมาตั้งบ้านท่องอยู่ข้างนอกอย่างพวกเรานั้นเองนี่แหะคับเป็นเหตุที่ให้เรานึกว่าพาะญี่ปุ่นมีเมียพระญี่ปุ่นมีเมียไม่เสด็พระแต่เป็นอันุสาสนาจารย์เขาเองเ้าก็บอกคำนึกูเองเขาเไม่เสะ เขาไม่ด้ใช้คำว่าพิขุเขาไม่ใช้เลยเขาใช้คำว่าเรเวเรนบั้นคำว่ามังบั้นเขาไม่ไม่ได้ใช้คำว่ า, าพิขุทัเเบกั น, กกนี่อันนี้แล้วก็เข้าใจไปด้วยตอนนี้พอต่อจากสมัยเ้นชินรานลงมาพุณศาสนาในญี่ปุ่นก็เจริญในลักษณะราบเรียบมากระทั่งถึงสมัยเมยีจักรพรัดเมยีจัตรพตรดมัตสุฮิโต เป็นพระอัยกาของจักรพรรดิโรฮิโตะองค์ปัจจุบันนี้พระเจ้าโรฮิโตะได้เป็นผู้ปฏิวัติญี่ปุ่นจากประบอกัมบูรณาญาปิจิรามาเป็นสมณพันธิจักรพรรดิใต้กฎหมาย ม, มีรัฐสภาเมื่อเป็นเช่งนี้เวลานั้นเป็นเวลาที่วัฒนธรรมตะวันตกกาลังหลั่งไหลเข้ามาจักรพรรดิโริโตะจึงได้ปฏิวัติญี่ปุ่นให้เป็นภาติอุตสาหารรมขึ้นแล้วก็ได้ยกศาสนาชินโตขึ้นเป็นศาสนาทางราชการศาสนาจริงได้ถูกกดขี่และชนละไปอยู่คราวหนึ แต่เนื่อจากรากฐานของพุทธศาสนาในญี่ปุ่นมันคงมานานแล้วแล้วก็พุทธศาสนานี่เป็นได้สร้างบุนคุณกับญี่ปุ่นอย่างไหหลวงในทางความความเจริญม่ว่าทางจิตใจหรือทางศาิลปะวรรณกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นจึงมีอิทธิพลอันใดที่จะสามารถอ้อนรากออนโคนของพุทธศาสในาไปได้เพราะฉะนั้นหลังจากมรสมแล้วไม่นานพุทธศาสนาในญี่ปุ่นก็กลับคื้นสู่อีกบรรดาชาพุทธใ่ว่าอนุสาสราจารย์หรือไม่ว่าส า, ามัญชนที่เป็นชาพุทธล้วนต่อสํานึกในหน้าที่ว่า การต่อสูส้เพื่อไทยในการคุ้นครองพิพิธภาณฑ์นั้นเป็นของจําเป็นสําหรับทุกคนวัดต่างๆได้ร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยพุทิธภัณฑ์ขึ้นเวลานี้มี ม, มหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์ในญี่ปุ่นถึงสิบสองแห่งด้วยกันแต่มหาวิทยาลัยเหล่านี้น่ะท่นทั้งหลายโปเข้าใจว่าไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยแบบในเมืองเรานะมหาวิทยาลัยศึกในเมืองเรามหาเมา ก, กุฏกัมหาจุลาน่ะเป็นที่สำหรักค่าเรียนแค่แค่แต่มหาวิทยาลัยพุทธในญี่ปุ่นน่ะเป็นมหาวิทยาลัย ของคารวาสคือหมายเรียกทั้งโลกให้เข้าธรมะต่อสตาเนี่แหละแต่ว่าตั้งขึ้นโดยทุมรองของพุทธศาสนาเป็นผู้ตั้งและการศึกษาพุทธศาสนาเน่ยเป็นเพียงคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นในมหาวิทยาลัย12แห่งดังกล่าวจึงมีนิสิตนิสิตาทั้งชายทั้งหญิงมีคณะแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์มรตยาสารศาสตร์คิสมะันอยู่ประจามวิทยามหาวิทยาลัยพั้งโลกทุกอย่างของพุทธศาสนานั้นเป็นเพียงอีกคณะหนึ่งต่างหากเรียกว่าคณะปรัชญาหรือคณะศาสนา หรือคณะผู้ศึกษาตนแรกแเาียจกันไปอย่างนี้ก็แปลว่าชาติญี่ปุ่นนะได้สร้างคอยผลประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศญี่ปุ่นอย่างมากในด้านการศึกษานอกจากสร้างมหาวิทยาลัยทางเงินทุนรองของผู้ศาศาสนาถึง12แห่งแล้วมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นคือมหาวิทยาลัยโอตาฮิโอตาฮิเป็นมหาวิทยาลัยทึ่สร้างในทุนผู้ศึศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มหาวิทยาลัยไดโชไดโชแล้วก็มหาวิทยาลัย ร, ยริโยโกกุนี่มหาวิทยาลัยพวกนี้่ เป็นมหาวิทยยที่มีนักศึกษาเรียงอยู่ตั้งจํานวนต้องหมึ่นกว่าคนด้วยกันอันนี้เราก็เห็นว่าอาชาวพุทธในเมืองญี่ปุ่นนะเขาตื่นตัวก้าวหน้าในด้านการศึกษาอย่างไรนอกจากนี้แล้วในด้านการพิมพ้อคัมภีร์ต่างๆชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่นได้มีการก้าวหน้านํานำเหนือทุกชาติในปัจจุบันนี้คือว่าเขามีคณะศาสตราจารย์ที่จะวิจัยความรู้ในด้านพุทธศาสนาไม่ว่ า, า, าบาลีทั้งสตรีมงกุฎิทิเบตเขาเรียนหมด แล้วก็พิมพ์พระไตรปิฎกเกือบทุกภาษารวมทั้งพระไตรปิฎกฉบับภาษาทิเบตซึ <mel <mel ่งพิมพ์ได้ยากมากนะเขาก็ใช้วิธีเอาฟิลมถายแล้วก็พิมพ์มาเย็บเล่มเผยแผ่ถ่าหลายพระไตรปิฎกทิเบตน่ะจบหนึ่งราคาคิดเป็นเงินไทยหนึ่งแสนกว่าบาทหนึ่งแกว่าบาทพระไตรปิฎกฉบับเป็นการปัดหนาจบหนึ่เทียงคันกว่าบาทแต่ว่าภาษาทิเบตนั่นที่ญี่ปุ่นมันพูดพิมพ์จบหนึ่งแสนกว่าจะคิดดูกันแล้วกัน ว่าหัมแงว่ากันสีมากน้อยแต่าษีกว่าเข้าใจว่าเอกชนไี่มีบรรดาเป็นเจ้าของเลยนอกจากซื้อนในนามของสถาบันแล้วก็ในเมืองไทยเราเองมีพระเาพิดกที่ว่านี้สอโได้มาปรีทั้งสองไม่ได้ออกซังซื้อเรารัฐบาลญีุ่เขาให้เราจบนึละทารัฐบาลไอีกจบหนึ่งหนาขอห้าญี่ปุ่นเขา้ขอค่ามีตังในห้างในมือไทยนี่แหละเขาให้าให้คมการศาสนาอีจบหนึ่งให้ให้ให้สนักทำวิจัยของกรมการศาสนาเวลาในทั้งสองก็อยู่ที่กนนนนรมการศาสนาพระเจาเดกสหับภาษาที่เบร์ เป็นหล่สือประมาณร้อกว่าเล่มรวมั้กอินเดคด้วยฉะนั้นเราค้นขมีอยู่ร้อกว่าเล่มด้วยกันนอกจากภาษาพิดกฉบับทีเบตแล้วภาษาพิดกฉบับอักษรจีนก็มีอยู่ร้อยเล่มเรียกว่าฉบับไบโชเป็นฉบับที่สมบูรณมากแล้วก็ฉบับภาษาบาลีญี่ปุ่นก็แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนเรื่ว่าเราเนี่ยาไปพดกของเรานแปภาษาญี่ปุ่นหมดแล้วก็ภาษาพิดกฉบับเกาหลีฉบับภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็พิมพ์หมดให้หมดแล้วล้างจำหน่ายหนังสือของญี่ปุ่นนั้น สวนมากมีหนังสือของพุทธปาสนาจาหน่ายที่เศษออีกหมวดนึ่งต่างหาไม่ว่าทุกลา้านถ้าเราตั้งใจในล่าหนังสือเท้าจีนป้าที่ญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าเท้าในเมืองโตเกียวก็ดีถ้าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นออกเราจะไม่ผิดหวังเลยเราจะเห็นหนังสือพุทธศาสนาวางสายเปลื่ยนตลาดมากทำไมาถึงอย่างนั้นก็เพราะว่าญี่ปุ่นนะครับคนเมืองเข้าหนักเป็นคนที่ใฝ่ใจในการศึกษามากก็จะไม่มีชาติใในเอเชียที่ใฝ่ใจในการศึกษามากเข้าชาติญี่ปุ่น สำหรับตขางชาติในยงด้วยเขาไม่เขาไม่พอที่จะอ่านภาษาังกฤษเท่าไรหรอกสำหรับต่างราที่มีภาษาอังกฤษอามรที่ญี่ปุ่นหมดเช่นยตัวอย่างเช่ว่าตำราทางวิทยาศาสตร์ตำราทางการพทที่มีที่นักาษาต่างประเทศแต่งขึ้นนั้นญี่ปุ่นแปลภาษาญี่ปุ่นหมดเขาปูมจะได้ภาษาชาตินะครับเขาไม่งอในเรืืองภาษาต่างประเทศทุกสิ่งที่ชาวต่างประเทศทำได้รับแปลหมด เพราะฉะนั้นหนังสือของเขายิ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ที่เราจะหาอ่านได้อย่างสบายสบายว่าและอ่านภาษาญี่ปุ่นเป็นแล้วก็หนังสือพี่จะตัดหนาเนี่ยขายดิบขาดีมากในญี่ปุ่นคนเริมเดินเข้าฝ่ายการศึกษาเมื่อฝ่ายการศึกษาต้องมีคนอ่านหนังสือมากคิดก็ร้าหนังสือเมืองเราอ่านคนละคนในเมืองไทยเนี่ยพวกที่ชอบอา่านหนังสือเนี่ยถ้คิดเฉลี่ยแล้วมัวนจะมีเหลือเกินห้าพันคนมากเท่าไรเหรอ เพราะฉะนั้นหนังสือต่างๆที่พิมพ์ขึ้นในเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยี่ประเทศสาระคดีเนี่ยขายยากเดินยากเพราะเดินไปเดินมาก็อยู่ในหมู่ห0าพคนขายไปเทยมาเวียนไปเรียนมาจึงพิมพ์ขายจำนวนมากเลยได้พิมพ์ครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน200พเล่มแล้วกว่าจะขายหมดก็เป็นแรงสี่นะแต่ในญี่ปุ่นเป็นยัา ง, งาอย่าว่าเป็นหนังสือสาระคดีธรรมดาเลยวิชาการทางศาสนาแล้วก็โดยเฉพาะในทางผู้ศาสนาเนี่ยพิมพ์ทีจานวนแสนเล่มแล้วก็ขายหมดภายใน1ปี ขายดีขายดีขายดีเป็นเฮ้าเฮ้าเลยเด็กเขากล้าลงทุนพีนเพราะคนเขาแบบเป็นนักศึกษาใายใจมากที่จะอ่านที่จะค้นคว้าเพราะฉะนั้นเขาจึงกล้าลงทุนทีนพระไตปิดกขนาดจุบราคาแสนบาทออกมาขายได้เนี่ยเขาไม่กลัวขาทุนรับรองว่าต้องซื้อหมดจริงๆเพราะว่าอย่างน้อยตามห้องสมุดของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยต้องซื้อแล้วพระไปิฎกเหล่านี้มีทุกแหองเข้าตรปิกถ้าเราไปดูในวิทยาลัยตามศึกษาญี่ปุ่นหรือตามโรงเรียนแล้วจะเห็นพระตรปิทุกฉบับมีอยู่ในห้องสมุดของเขา แต่ถ้าเราจะมาดูพงสมุดวิทยาลายัยทั้นสูงในเมืองเราแล้วจะหามังซื้อธรรมะสักเล็กนึงจะเห็นจะหายากใช่ไหมหายากเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างนี้แหละครับเนี่ยเพราะฉะนั้นภูมคธรรมุูมิปุ่นวัดลายจึงสงสัยถาว่ า, าทำไมเขาเจอรวดเร็วเทียมทันเทียมบาทเทียมลายต่างชาติตวันตกได้ทำไมถึงเมืองไทยเาก็จเจริญไล่เรือกันในทางการเมืองสกภักดพุทิโตนเกิดก่อนัการที่ห้เราเพียงปีรือสองสี่เนั้นเองแล้วต่อเดวกว่ามีชีวิตร่วมยุคสมัยเดียวกัน ในขณะที่ญี่ปุ่นเป่นเป็นประเทศมหกรรมนั้นเมืงไทยเราเพิ่งจะเริ่มต้นมาเองแต่นั่นแหละด้วยว่าตั้งต้นมาพร้อมกันและญี่ปุ่นนาหน้าทิ้งเราไปลแค่ไหนมาดูาเอาไปแล้วสับญี่ปุ่นเวลาเนี้ยเขานําหน้าเราไปแค่ไหนนี่ทั้งๆที่ว่าเริ่มต้นในสมัยเดียวกันจกักรพรรดิโกะในหลวงรัชกาลที่หเป็นผู้ที่อยู่มีชีวิตอยู่ในสมัยเดียวกันและเริ่มต้นปีรูปเศรษฐกิจการปกครองเมืองไทยระยะใกล้เคียงกันด้วยทั้งนั้นทั้งนี้ก็เกิดจากว่าประชาชน ประชาชนนั่นน่ะใฝ่าจนการศึกษาหรือไม่ใฝ่ใจในการก้าวหน้าหรือเปล่าประชาชนญี่ปุ่นเขาใฝ่ใจในทางนี้นี่เพราะฉะ น, น, นั้นพุทธศาสนาในญี่ปุ่ น, นจึงจเจริญ ม, มากนอกจากนี้แล้วญี่ปุ่นเขายังสนใจในการที่จะนําพุทธศาสนาไปแพ่่หลายในยโรปอเมริกาเกือจะพูดได้ว่าเป็นชาวพุทธผู้แพร่ที่นําพุทธศาสนาไปตั้งมั่นในสหรัฐอเม ร, ร, ร, ริกาทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้รวมทั้งประเทศแคนาดาด้วยญี่ปุ่นเป็นผู้นําพุทธศาสนาไปเผยแพร่ ว่าชาวญี่ปุ่นเมื่อไปตั้างบ้านเรือนเอาหากินอยู่ในประเทศไหนเขาก็เอาพระนเข้าไปเอาพระที่ไปอันวนิาสนาจารย์ไปด้วยเมื่อไปแล้วก็ไปสร้างโบสถ์ขึ้นสาหรับพวกเขาก็ได้ทำศาสนาพุทธในกลุ่มของเขาลี่ลต่อมาชาวญี่ปุ่นพวกนี้ก็ไปเจริญเติบโตขึ้นในประเทศเหล่านั้นกลายเป็นพลเมืองอเมริกันไปพวกนี้ก็ยังเป็นชาวพุทธตามสายมาทธบุรุษได้เกิดมีวัดวาอารามต่างๆเวลานี้ในประเทศอเมริกามีวัด พุทธศาสนาที่ชาวญี่ปุ่นไปสร้างไว้ร้อยกว่าวัดเกันร้อยกว่าวัดไปสร้าง่าวาแล้วก็ในจำนวนร้อยกว่าวัดนี้ก็มีจานวนพุทธศาสนิกที่ถือสัญชาติอเมริกันอ่ที่เป็นชาวญี่ปุ่ น, น, นประมาณ2000สอง0สเศษจะมีมากโดยเฉพาะในฮาวยายคอนเนลูรเนี่ยแล้วก็ตามฝั่งเมืองแถวไทยเมืองแคลิฟอร์เนียกับแถวคอริดาพ่กเนื่อ ที่มีชาวญี่ปุ่นมาอยู่มากๆก็มีวัดทุกศาสนาหลากหลายถ้าหาก ว, ว่านักเรียนไทยที่เปศรัฐมีความส น, นันในเรื่องศาสนาบ้างก็ถึงจะรู้หรอกว่าวัดญี่ปุ่นน่าตาเป็นอย่างไรนอกจากพวกที่ไม่สนใจเลยอย่างเงี้ยยัง่ั้เรชื่อไม่ได้นีแ่แหละภาพที่ว่าชาวญี่ปุ่นเผยแผวไว้ที่อเมริกาใต้ประเทศราศินราศิ น, ศนก็มีโบสถ์ทุกศาสนาอยู่ในราศินประมาณ50กว่าแห่งด้วยกันกร ะ, ะจายกระจายเลยห้าสิบกวาแ เพราะว่าศิวะซินเนชาญี่ปุ่นอยู่เยอะเนี่เขาก็ไปสร้างโบสถ์สร้างวัดขึ้นเขาในกลุ่มเขาขึ้นมาแล้วก็เอาอนุาศาสนาจารย์เข้าไปจากประเทศญี่ปุ่นบ้างแล้วก็ไปจากพวกเขาเองฝึกขึ้นมาบ้างไปเป็นคนประกอบศาสนกิจในการแต่งงานในการข้อลูปในการทำศพชาวพันธุ์ิจิตให้พระเขาทําหมดเนี่ยให้รับฟ้าประเทศนีอันนี้ไม่ลืมไปที่ขอนาดาก็มีวัดอนุสาสรณาขญี่ปุ่นไปสร้างไว้ประมาณชิบหกชิบเำหนักเหมือกัน เกิดจากในกายต่างๆและญี่ปุ่นส่งพระเข้าไปเขามีคุณรอมีเงินเดือนแล้วก็ส่งไปแบบไม่นรีไปเผยแผ่ในกลุ่มของเขาอันนี้เรานับว่าทาสญี่ปุ่นน่ะเขาทำงานกล้าหน้ายิ่งกวฝ่ายาาทินละวัฒน์ขอเรามากฝ่ายทวัราหนะ น, น่ะเวลานี้รัฐบาลของเรากำลังนบีจะสระส้างวัดขึ้นในดองๆแล้วก็มีเงินเป็นคุณรอลร้อยหกแสนเศษ าในสง่าบรดิตออก1นึ่งสกวียิ่งกวีออก1นึ่งแสน่าร้อยเอกงออกหนึ่งแสนแล้วก็มูลเอกวันนี้อุบาสิกาอะอีกท่านหนึ่งออกอีกแสนหนึ่งก็เป็น4ี่แสนไปแล้วนี่ไปสี่แสนลวแล้วที่ท่านจะคุณราชสิทธิ์ที่มูลนี้นรับบริจาคจากผู้มีจิตศราอีกประมาณสองแสนนี่เขาก็หกแสนล้วต่ที่งไว้จะมีครูเกศีหนึ่งท่านรัดเดชไทยในดอดอนเลย เขีนนรื่องรุสหรือิมพ์ยามรับปะบริกาคถูอย่างนู้อย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่าเจตนาว่าโจงปีน่ะจะมีความเจตนาดีแต่คือเจตนาหรือเปล่าเพราะการโจมปีอย่างนี้เนี่ยไม่ชาบ่าเราเราเหมุดนพาพุทธคุณเขาทำกันอย่างนี้เอาสร้างวัดเขาได้ในต่างประเทศต่างว่ายอดขนาดถาไม่า่เ้ว่าเราจะไ้สร้างวัดห่เมืองเมืองอังกฤษจะเป็นลายไปเราต้องการอย่างนั้นเพราะว่าเวลานี้มีฝรั่งมันฆ่ามาบวในพุทธเาสนาถ้ารวมหมดเด็กเสที่เขาจักระจายอยู่ตามประเทศต่างๆมารวมกันเขาว่ายล้อ มีประมาณตั <interpret ations> ้ง45่ส <50 milhões> ิ้า <im podob> <t om> ิรูปซาปราดเลยนะแต่ไม่มีวัดเป็นหลักฐานในยุโรปเลยที่ถูกต้องตามมิมยกรรมเลยแม้แต่วัดเดียวทำบุญพระก็ไม่ได้ทำบุญได้ทุเรนบุญพรต้องวิ่งมาบวช็นบูรพามาลังกาไทบ้างถึงจะบวชด้ลาบาก้กันพระปราบได้สมณะวนยังตั้งมั่นในยุโรปไม่ได้เราแตยังไม่แน่ใจว่าพุทธศาสนาสังราชสังราชไม่ได้เพรางการศึกษาแบบพุทธศาสนาในยุโรปการศึกษาแบบพุทธมาสนาในยุโรปหรือแบบไหน ด้วยว่าพุทธวิหารที่ทำเสร็จแล้วพวกเนี้ยเป็นการศึกษาแบบปรัชญาศึกษาพุทธศัสนาเป็นแบบปรัชญาไปทหาราไม่มีทครสนใจถามันที่จะติดรับในโลกวรา วันข้างหน้าเป็นเวลานานเ่าพุทธศาสนาในเดียจะกลายเป็นเดียวแต่ปัยตะวันออกสาขามึงที่ชายโยศึกษาในฐานะหนึ่งเดียวแต่ปัจจัยมาศึกษาในฐานะหน่งเดียวตยอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้เกิดขต่นจากปัจจยเดียวแต่หากเป็นทั้งปาสนาและเป็นทั้งปัยในตัพุทธศาสนาเองเดียวก็เหนั้นเมื่อทางวัฐบาลนำบัมบิในการสร้างวจงเป็นการยามบัมที่ชอบเป็นการทาที่ถูกต้องที่พวกเต้องเชื่อถัสนุนเมื่อยุเวลานึง ไทยญีปุ่นก็ไปสร้างรัดในอเมริกาค า, า, ลล ร, าราบาลแล้วเราต้องทาอย่างเห็นว่าเราไม่ยทํเราเป็นชิ้นเป็นอันในการเผยแพอ่สื่อโฆษณาในต่างประเทศเลยร า, า, าน์เดลตามหลังพาพุทธงหายหน่เข้ามาในพันเลยเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างรัดไทยัฐแย่จริงหน้นจะมีคาคารหาในใจที่คิดโน่นคิดนี่นอกนอกทางเมื่สร้างขึ้ น, นเมื่อสร้างขึ้นรอชาวลกทีท่เลื่อนสายจะตัดนาต้องมีบทที่ผูก้องต้งอามประสมบ แล้วเมื่อพวกนี้ประสบ็จแล้วก็ตั้งเป็นคณะสงฆ์ขนเป็นไดอารีโบรในตอนแรกทางคณะสงฆ์ไทยอาจจะยังปล่อยมือไม่ได้เพราะจะต้องคอยให้ความอุถัมและแนะนำชี้แจงสั่งสอนในเรื่งการปฏิบัติข้าไหนแต่เมื่อการศึกษาไทยเริ่มคอลวาจะตั้งพคเขาเป็นตาเอาเีัอโดยที่เราไม่ไดุ้่งเกี่ยเป็นการตั้งคณะสงฆ์ใหม่อีกคณะหนึ่งในยุโรปเช่นเียกกับสมัยอิตยา มีพระหน้าเต็มไทยแต่ตั้งในลังกาคือกายสยามไมเป็นเทียตี่โถอพระาสนาเลยเป็นเทียต่อพระไทอย่างยิ่งอันี้อันนี้ก็พเอามาเห้นเปตัวอย่างเปรียเที่เรวาญี่ปุนเเขาจะเรนอย่างไรเขมีการต่ตัวเจ้าหน้าอย่างไรซึ่งชาติในเมืองไทยเราควรจะตื่ตัวเจ้าหน้าอย่างไทียถูกเ้าเอาเขาเป็นแบบเขาทามาแล้วดผลแล้วก็เพื่อจเรีนตามเขาที่จะได้ผลเป็นการช่วต่ออายุของพระาสนาไม่ให้าปเาวลานี้เนี่ย ใครพูศาสนาหนักกมาแล้วราบ้ามาแล้วเราใครเลยไรู้ว่าอนาคตจน้นาประเทที่มีพิษภนั้นอยู่ในอย่างเือไทน่ไม่ระ็อันตรายถึงเปนเหตุที่พิศาสนาจะวิบัอันตรายไปแตหากว่าพิจาราเป็นนั้นแัวพิษภัะศาสนามาได้รู้าตังห้าใน่าประเทลพอาะางนี้พศาสนาจะทำลายไปต่อไปน้ก็จะติดิษภัยั้นเป็นอันว่าเล่จากโลกทีจะได้เลยเพระถาเอาตมาหาศาสตร์รือตามใจ ข้าจริงไลยนี่อนใจข้าหมื่นแม้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดในชนปูทวีแต่ข้าก็ไม่นอนใจไม่สมาะจะไม่กตกพุทธมรณะยั่งยืนได้่าชนปูทวี ท, ท่นน า, ทานจริงเลเทรงมรณะพูดนำพุทธศาสนาไปประดิษฐานได้ในนานาประเทศเพราะฉะนั้นพอพุทธศาสนาในอินเดียตกพังลายไปแล้วพุทธศาสนาจะไปเจริญในต่างประเทศแล้วก็จากนั้นก็จากต่างประเทศก็นำพุทธศาสนากลับคืนมาเพืออินเดียอีกยังเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ ผ no to yeah. ู้าสนาาพวังตาเป็นผ ok. ู้ไปเผขอผู้าสนาให้กับินแดนปิตุภูมิทำไมชาวพุทาในอินเดียเองคุณไม่ได้ชาวพุทธเราตั้งใจโดยไม่ได้ตั้งอะไรเลยเราจะมีเมืองเราจะมีศาสนาเาจมีนครเราจะมีพระะมีอันตรายเมืองจัตศาสนาอันที่สุดเนี่ยเราคุณใจอย่างนี้เลยหรืเปล่าเป็นการประมาทการที่เราคิดจะเผยแผ่ผู้จัดศานาในต่างประเทศสางรัฐบาอารามสางคะในต่างประเทศที่เป็นการความดีที่ชอบเป็นคามดีทีไม่ประมาประเหตการ ถ้าสัพพตะหว่าทุกศาสนาในเมืงไทมีบาดไปเราก็ยังอุ่นใจว่าเชื่อใเรื่องนี้ต่างประเทศและนวันอานาทัศน์น่าตามมาเท่านั้นแหลสจะมาตอนทุกาทศาสนาให้เป็คนไทยซึ่งได้ละเอื่อมาต่อตาศาสนาบรรพบุรษุษนู้ไปแล้ว น, นี่ใครเลืจะเลอกอานาทประภธรมไบ้าอินเดียเป็นตัวอย่างเมือนคนคน่ะตัวมือก็จะไม่พอศานาเจะถูกเบีงนพลัรไได้เลยจะเปลี่าไปยาวจามือพอื่นๆทังเขาพมาลังกาเาไม่จะเป็นไปแบบอินเดียไลยหล ว่าพิจารณาจะต้องรัารองตนเองอยู่เปนนิจเปนเนี้วไาจะงมีคนประมาทครับอันนี้อนอกจากนี้แล้วสถานก า, ารณ์ในญี่ปุ่นในปัจจุบันเขามีกเกิดอ็นการศัพทศานสานาแบบใหม่ขึ้นไดยเฉาอ็นการโตเซยะไอาสมาเทนเซะไตนี่ก็คือเป็นสาวกเงินใจวิจิรนแต่ว่าอป็นพว ก, กที่มีควิทางการเมืองแทรกอยู่ด้วย ในตกอนจนีขึ้นลาๆต่อผู้คลามเอเชียบูรพาเล็กน้อยแล้วพอระหว่างเกิดสงครามองค์จันี้จะถูยบขนึกข่นา้าต้าตยทำตามเงื่อนต่อมาเมื่ันที่าเกิดขึ้นแล้วองค์จัี้จะขึ้นฟขึ้นาองค์จเป็นแบบ่ยงเป็นหนุมมากอายุาปี่ีเองสามารถเลือยความศรัทาป่าพา้องคนมีสมาชิในองค์กันี้ประเทศุ่ณ ประมาณสิบว้าแล้วก็แยกแ้าสาขาไปตั้งในต่างประเทศอีกอีก 4. ี่ริบเจาอจะกำลังจะขอ อ, อนุญาตก็มาตั้งเมืองไทยแต่ไม่ได้เลยท่านจะอนุญาตหร่อไม่ก็ไม่รู้เลือกหา้องพบการตาสนาละเรื่อนี้ะมาพันธ์ตัวนีัดใจเลนะคำฝันงอรมาพันก็คือว่ามูนชาตัดธรรมสนปริจจะเคยถือว่าพระมิจเรนคนึงเป็นพระเททจ้าให่วัดปิศาจจันตะโดิตะ มาตามคาพยากรณ์ของขสมารติจกซึ่งปรากฏในคำพีสัตยธรรมภูบริจักหรือโฮรนเกติโอว่างานมาเพิมปูให้าปนาแต่ว่าข้อบกพร่องขององค์การนี้ก็คือว่าถือว่ามีการที่ประมบกอื่นๆนั่นพม่ได้การนี้เลยดาวไม่ได้ม่ได้ประสบนากที่ดีที่สุดทุกปั้นที่สุดคือในการที่เปลี่ยนซึ่งซนงาออกมาในขององค์การใหม่คือองค์การเรือนใว่า้ แล้วบางทีมาปฏิบัติตางนตาเน่ก็อาจมีความเป็นวัดพักนี้ที่จะตวจงขํามบนคำบูชายน้ำจัดธรรมปุิกาดยน้ำมือมือโหดเดินเกียวเี่บามาีเดบมแต่เมื่อในทาารรัปฏิบัติแต่ยังไรก็ตามก็คนจานนี้จะเป็นมีการเอาพระานากะารนะครับว่าก็รรับผิดจริงว่าพระพุทธศาสเป็นประจ เราถือว่าใครในสมาธิคุณสมาคุนี้ก็เหมือนเที่ยวหาอะไรเมื่อเขาพิจารณาประการแล้วก็เป็นสาทิพย์ลแล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยแต่การที่ว่าองค์การนี้อิจมีอิทธิพลมากที่สามารถดึงดูดดาวพุทธชนให้มาสนใจต่อพุทธศาสนาอย่างมากมายมหาศาลการพุทธศนอื่นๆการเคลื่อนไหวยังมีไม่เท่ากับองค์การของนักไกย์ย่างขนาดเตยองค์การนี้มันมาเป็นองค์การศาสนาตัวอย่างที่ก้าวหน้ามาที่เกิดขึ้นหลังสงคราม และสามารถพื้นเพือูระบบพื้นฐานทางจิตใจทางการเมืองท้ราะตระเวนตัวในญี่ปุ่นด้วยเขาหวังว่าเขาจะเป็นพรรคที่สามารถปกครองประเทศภาคบ่ายจึงเลือกงนผู้ทยทนจะสมัครเป็นสมาชิกรัฐสภาและก็ถ้าหากว่ามีเนียงถือเสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วก็อาจจะเป็นรัฐบาลเมื่อเป็นรัฐบาลละก็จะนำหลักธรรมของท่ิจินโมุนเลยครับมาปกครองประเทศภาคต่อไปพราะิเินโทมนเ้พื่อนอยู่น่าคิดหู่ท่านบอกว่า เมื่อใดกดหมายแหงรัฐได้แก้ไขไปจนไปกับหลักธรรมของพุทธศาสนาเมื่อนั้นเป็นการบรรลุถึงอารมั์สมัยที่จะิงโนคนพูดอย่างนี้สมาพันธ์กุลนัดใจจะหวังอย่างนั้นจึงหันยิงมาเรื่อการเมืองและหวังว่าปัญหาว่าได้กำลังสูงมากแลรัฐสภาราต้อจะปฏิบัตงประเทศญปุ่ให้มีการปกครองในระบบหลักธรรมและพุทธาสนาซึ่งอันนี้เป็นมเขาใชครับว่าเาจะทาได้แค่ไหนล้วก็ไม่ทราบแต่เวลาี้ื่อ มาเป็นตัวรัใจเน่เป็นที่สาในประเทศญี่ปุ่นเป็นพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลรงจากพรรคสภานะพรรคฝ่ายค้านอยู่อันดับสาแล้วเวลาที่ในในเหตุการณี่ปุ่นผมจะเสนอมาให้ทางหลายต่านเองอ่ารายการฟาสกัในวันนี้น่ผมถือว่าเป็นรายการฟาสกาปันขนุภท้ายเฉพาะในีนี้เลยครับ เะว่าปัจจัอาทิตย์นี้เป็นต้นไปจะทั้งถึงสิ้นปีต้องขอลารัครับจะไปเขียนจะไปเขียนหนังสือถ้ราว่ามีงานจะต้องเขียนหนังสืออยู่เรื่องใดอยู่เรื่องหนึ่งคือเขียนเ่งพระวิษณุศาสราตาสนาไเื่ว่าจะต้องไปเขียนหนงเรื่องนี้ให้ให้บเ็เพราะฉะนั้นระยะนึ่ตั้งแต่รายการนี้เป็นต้นไปจะทั่งถึงสิ้นปีก็พักไปจะเอ่อลายการใหม่ก็พุทธศตวรรษใหม่ชาวนาของ5 0 9ะ เลหมายในเดือนมกราคมนะฮะวันนี้ปลาปกถางขอจเานี้ครับข้อแเป็นพลังงานที่อาตาเรา้ป็นเพราะยกไปล่าหรือแต่พลังงานแล้วพลังงานอกจะเป็นอัติมัตพลังงานก็ยังสามารถลอมันเองได้พลังงานอัตมัตแล้วในบรบกก็ไม่เพราะฉะนั้นจริงเป็นการิสูจ่าอำนาจตาแบทตาจะนาวไม่มีสิ่งใดที่จะคงที่ในภาวะเดิมมันอยู่ได้อาจาร อัสตหอัตโนมโติตัวเปนตัวเป็นที่พึ่ของัวเองและวําไมจึงต้องเอาพระกุทธารรมเราดั้งเช่นพุทธธรรมเนฐานอ่าการที่เอาพระุทธธรรมมาเป็นที่พึ่งนั้นหมายความว่าเอาค่านเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่หลักในการปฏิบัติเพื่อการห้นทเช่นว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าธรรมะเราพุทธคือะไรอย่างนี้ไม่ใช่รื เราบอกว่ารานุ่าจะขึ้นจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนเราต่การสอบไล่ได้มก็ึัเาองนี่เมื่ออาจารย์อยอาจารย์อธโาโภเราจะเราจะสอบไล่ได้หรือไม่ก็เป็อาศัยการนุ่งตครูบาอาจารย์ผ่าย่อของเราใชไเพราะฉะนั้นอยู่จริงแ้นเป็นาามามาที่จะอข้นมาให้เราเป็นบุตรอกมาได้ด้วยจะไปสอบอะไรขึ้นจากครูบาอาจารย์คนไหนรู้ไมว่าเราไม่หน่เดียวเป็ไปไม่ได้เรต้องาศัันอยู่เองือครูบาอาจารย์ เขาเขาไม่ตองทอะไรเลามควาทที่ทำหมแต่เ่้อบไม่ได้เยบา่นจะว่ากันว่าถ้าเขาทำไอ้ชุดตอบแทนเราไม่ชุดจะตึกบอข้ออบรามเป็นไม่ได้เราต้องดูในๆถามอุมข้างแล้วก็ให้ตอบเองถ้าเเไม่ได้ก้ตอบเเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่อัตอัาอัจนาโศกขึ้นเขาพูดจะทำมาส่งกินอขัดกันตามมายาที่อธิบายมากรเตคาว่ามหการในมหาชาตินั้นมีอะไรบ้าง มหาทานหรืมหาชาติะมหาทานเน่ยคือปัญจบริจาคทางอันหนึ่งรัตตบริจาคทางคือบริจาคเพระสมบัติสลักสรรบัติเป็นทางได้อันที่สอันคาบริจาคทางคือสามารถบริจาคอวัยวะเป็นทางเวลานี้งจะมีคนบริจาคหต า, าเป็นทางเพราะถึข้อถึองคำอันขบริจาคทางแล้วเออ ให้เลือดเป็นพัต่ธนาคารเลือดอันนี้ก็เป็นอันทักริจาทางเปมหาทานเือกันอันที่มีปากริจาทางให้ชีวิตเป็นอันนี้เรามากเวลาไม่ระวังให้ตายชีวิตเป็นนนะแล้วก็อันที่4่ปากปริจาทางให้มูเป็นทานยังอ่าพระฤาษีนยกพันกัญหาให้เป็นพนอันที่5้ก็อ่าาระริจาทางให้ภริยาเป็นทานเวลาฤาษีเป็นตัวอย่างอยู่บ้างเส่ยกับภริยาเป็นทานเวลาข้องเป็นมหาทาน การเรียนอภิธรรมแบบที่สอนอยทีพุทธมาคมในเวลาในวิทยมหายานมีหรือไม่และเหมือนกับาของเราหรือไม่ในวิท ย, ยาจุดดอกมหายาณมีว่าอย่างไรในเรื่องนี้นอภิธรรมที่สนะอนที่พุทธมาคมแบเป็นอภิธรรมในวิทยาเทระดครับส่อไปมหาญาณเขาจะมีอภิธรรมของมหายาณไม่เ ห, าา ม, ม, หาา ม, มือนแต่ละครับข้อใหญ่ใจกวาจะคลายปืกันแตกต่างกันไม่เข้าสุดยอดท่านผู้ใดสงสัย ถ้าหาว่าสงสัยไม่ได้เขียนรอบเดนมาถามที่นี่เลยก็ได้ครับอะไรจังผมไม่ม่ว่าเคืนากที่นแล้วก็ยังไปออกพื้นที่วัดมหาธาตครับท่านสำนักจิตติภูโทเคยท่านเล่าเตอนกับมว่าท่านจะมาพูนี่เดือนละ้่ามาพูดที่นี่สเดือนครั้ผมไปมาพูดที่อยู่วัดมหาาตสองเดือนครั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุเดือนต่อครั้งเดือนหน้าจะไปพูดเรื่องปัญหาสุขระมัทวาอทิติ3าองเดือนน่ะพที่น่ะสุระมัทวะ แล้วแต่เงี้ท่านจิติกุโธสมาธิผมตปยนดแล้วเดียวมันว่าเอ่ะสอตองแล้วผมผมเอาัเพื่อไหลที่เอาสองหมื่นครั้งทำมาที่หกหม่นเลยบ้าดว่างเลยอ่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการปานาจิบาถามว่าผู้ฆ่าตัวเองชายทำไมไม่เลื่องสมบุสําเรณจเป็นปานาจิบาทั้งที่ผู้ฆ่าตัวเองก็รู้ว่าตัวเองมีชีวิตการที่จะอ้างว่าผู้ฆ่าตัวเองตายนั้นจ่ามไม่ครบถ้วนห้าุ้ดขาดข้อปานาสันิตา หมายความว่าในข้อที่ว่ารู้ว่าสัตว์มีชีวิตนี้ทีไ่ได้มุ่งหมายเอาตอนเองหมาเอาสัตว์อื่นๆที่นอกจากตนเท่านั้นจะตนไปได้หรือหรือมีความมุ่งหมายอย่างไรปรินาให้โทรหารง่ายกว่นี้ด้วยจะได้เข้าใจธรรมะถูกต้องดีขึ้นผู้ที่ฆ่าตัวเองตายนะผู้นั้นพอใจที่จะฆ่าอันนี้สําคัญมากประเด็นนี้เล่าฆ่าสัตว์อื่นให้เขาตายไป ที่เป็นบาปกรรมมากนะเพราะทัศน์อินเ่ยเขาไม่ได้ยินดีสมัครสมโรศอันดายที่จะให้เราฆ่าเขาเลยเขารักเ้าหงอยแหนิริศเขาการที่เราไปฆ่าเขาเนี่ยเท่ากับไปร่วงละเมิดขจิตของเขาโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้องเราไปทําเขาอย่างนี้กรรมมันหนักมากจริงฉันเป็นการปฏิบัติแท้คุณการฆ่าตัวเองเนี่ยคือฆ่าพอใจที่จะทําตัวเองตัวทาตัวเองอจะมาค่ะๆล่ะเรามีังิมีบ้างอยู่ในตัวร้อยบาท เรายมีเดชิบงเราเองร้อบาทล้วก็ทิยหามาตัวเราเองได้ขาดประโยน์รายได้จากไอ้แงร้บาทเนี่ยถก็ไม่ได้มาทิพยหายคอยกบราด้วนะเนี่ยท่านท่านครือครับเป็นจุดประขันมังเถียงวม้าตวนี้มาเป็นาอชกเนี่ยแล้วท่านเป็นโอตาณาปบากจอะไรที่แอย่างนี้เหรอครับข้อที่สองมนุษย์ที่เปลี่ยนเพศเป็นสัตว์รักฉนหรือสัตว์ดีรักฉนเปลี่ยนเพศเป็นมนุษย์มีไหมและเป็นไปได้หรือไม่ อ่ามันตะลุนาบอกชื่อและบอกที่มาด้วยมันไม่ที่เปลนเพศเป็นเดิอฐานแล้วเดียดฐานที่เปลียนเพศมนุษย์มีไหมนะฮะเป็นไปได้หรือใหม่และบอกชื่อบอกที่มาด้วยอ่าเมันไปได้ครับที่มาที่ไปในปัจจุบันมีอยู่ในประเทศอินเดียรประเทศอินเดียนะครับมีพวกหมาหมาป่าพวกนี้หมาป่าเขาเรียกหมาหมาป่าพันควายเขาเรียกเป็นยางนไงหมาป่าพวกนี้นะ่ะปิโกนอยู่บางตัวนะ่ะลูกตายทั้งครอบตายทั้งครอก มันมาคาบลูกชาวบ้านตเตยนลูกเมื่อ้ชายนามาต่านีา่ฆ่าปัดแ ล, ล้วไปเลี้ยงฆ่าไปเลี้ยงอย่างไานเา อ, อยู่ฆ่าไปเลี้ยงเลี้ยงอย่างดีเชียวพอโตขึ้นไอ้ลูกหมาป่าเนี่ยกลายเป็นหมาจริงๆมีขนงอกเป็นตัวคานสื่เท้ามันผูกกับสามนุษย์หน้าตาเป็นคนแต่ผอนเป็นเสียงหมาป่าแล้วคิดกอรเป็ดีเหมือนหมาป่าทุกอย่างตามวิ่งตามแม่ของมนันด้วยสื่เท้าเนี่ยไปเที่ยวหากินกินของดุบ กิในสักล้ายเปพวกกระต่ายกินจากกระต่ายกินรวดเร็วเปลืองตาเป็นยปอยกหมาป่าทนี่พเนี่ยลายหนึ่งที่ประเทศทิรานุ เ, เบียเปอร์เซียก็ปรากระ่ามีรวดหมาป่าประเทศนี้เกิดขึ้นที่อฟริกาในป่าคองโตพวกกอรลิล่าลิงกอรลิล่าลิงกอรลิล่าเป็นลิงใหญ่ที่สุดในประเทศลิงหลายในโลกย า, ลานนี้มีหน้าตาอาการใกล้คนและเจอลิงกอรลิล่าเนี่ยหน้าตาใหญ่มากอ่าขนาดตัวโตมันเอ่ยสูขนาดไหลของเราแต่ ลำตัวมันอ้วนกว่ามนุษย์เราสองเท่าหัวลิงกอริล่าเนี่ยน้ำหนักต่องนกนะไม่ตามส่วนลิงกอริล่าเนี่ยรู้จักําเพลิงเอาไปม้มันมึงเป็นเพิงอยู่แล้วดันคุ้มพุ่มพุมมไม้แล้วอยู่กันเข้าตัวลิงพวกนี้บางตัวบันดีคืนดีไปลักนี่พวกนโกโชาปา่ามาเลี้ยงเป็นลูกกินในตัวเองแล้วก็เลี้ยงบันดีคืนดีไปลักพวกผู้หญิงที่โกมาเป็นเมียอาโกนี้ออมเป็เยมยแล้วก็ไอ้หตัวเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นลิง ขนหลอปุบปุยเหมือนแต่ขนลิงเพราะกินนมลิงนี่แล้วก็อยู่ในจ่าธรรมชาติก็ปรปับตปวฐานะงมันให้เหมือนกตลิงทงั้งๆท่หน้ า, าตาเป็นคนขนต้นมา ก, ก็เก่งล่องถึงเป็นลินงผู้กระสับะไม่ได้กินอาหารอย่างลิงกินทุกสิ่งอย่างเลยนี่มันุษย์กลายเป็น ร, รีานมันต้องกลายเป็นเ ร, รีานเห็นเห็นตัวอย่างปัจจุบันก็มีอยู่มันจะเอา่องพ่นานบอกมาพูดแล้วตัวอย่างปัจจุบันนมีอยู่จริงๆแล้วแต่ไอ้เรื่องรีานกลายเป็นคนนี่ยังไม่เจอเรียลานกลายเป็นคนยังยังไม่เจอครับไม่ได้ม น, น า, ายพระเจ้าไปดกนีไหนาไพระเจ้าไปดกดิฉันกายเป็นคนมีแ ต, มแต่มีแต่แปลงมามาจากกายจริงจริงแต่งด้วยอำนาจฤทธิ์เช่นพวกพญานาคหน้าซีแหละแปลงมาเป็นเป็นมนุษย์วพวกมนุษย์เนี่ยำกำลงเป็นมนุษย์เปีย่ยงพวกผีเสือ้อีเสือยักษ์กาลังตัวเป็นมนุษย์ตร น, น, นี้น่อสิว่ากับโดยตลอดรอบสั่งเปนนุษย์กระทั่งตายเน่ยยังไม่ากิดครับท่าทนะี่คนเหล่านี้เปลี่ยนเพศไปนี้เพราะทอะไรคนเหล่านี้เปลี่ยนเพศเพราะทอำอะไรอย่างนี้เขาจะให้สัญฐาน นะฮะประฐานที่ว่ามันคงจะมีการอบรมกับแม่ลิงหรือแม่หมาป่าไป็นาพัจตุนก็นกนมั่งเคยอบรมกันมาเคยเป็นแม่ลูกกันมาก่อนน่ะชาตนี้นเราเกิดาพิษสมัยแม่ตาขป้นมาแม่แต่แม่จะเปตาเินปรวานเป็นห ม, มาไปแ ล, ล้วเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังอุตสามาตามมาประคับประนึ่งระมกันกจะได้ได้ั่นอย่างนี้เคยเป็แม่ลูกกันมาก่อนอมีคากล่าวว่าผู้ที่กินไข่ไก่ที่ไม่มีเชื่ อ, อผู้ที่กินไข่ไก่ที่ไม่มีเชื่อตัวผู้ผสมนั้น เราไม่ได้ว่าเป็นการเล่นจากการบริโภคจักที่มีชีวิตเพราะแม้ว่าไข่นั้นจะไม่มีเชื้อตัวผู้ผสมอยู่ก็ตามแต่ก็มีจัดสปีชส์ที่ขึ้นแล้วจึงเป็นไข่ได้เพราะเหตนที่ทําให้มารดาตั้งซันได้มีแปดอย่างหนึ่งเมตุนังสองเจร่าฉะนังสามสังตะโคทีมาพิตามาสนังห้าตาหนังหกชัดจนางเจษกวนางแปดชายยนางจึงอยากทราบว่าไข่ไก่ที่ไม่มีเชื้อตัวผู้ผสมนั้นมีชีวิตหรือไม่ และมีได้อย่างไรเพราะแม่ไก่บางตัวที่เสาขังไว้นั้นไม่ได้สืบพันธุ์กับไก่ตัวอื่นแต่ก็มีไข่ออกมาได้เหมือนกับไก่ที่ได้ผสมพันธุ์มันกม็มีชีวิตอย่างประเภทชีวิตในเซนแหละครับไข่กระดีกเชื่อมสั่เนี่ยมันก็มีชีวิตอย่างประเภทชีวิตในเซนที่ยังเป็นเซนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นครังที่ดูท่านที่ถือถึงตะมบทที่แข้งน่ะก็ไม่ควรล่อยไข่เองทุกประเภทไม่ควรเรื่องข้อนี้เชื่อมะคุณจะต่อ ย, ขยไข่ด้วยมือตัวเองคุณจะไม่ ถิ่นเราัหมองก็ควรจะถอ ย, อย่างนีที่เคร่งไปเลยท่เป็งวิจารณ์มันเดือดเดือดใช้ในเจมีความใจขอดนะครับเปนเปนธรรมะนะครแต่จรนีแม้ประตูนั้นจะฆ่าโดยเจตนาหรือไม่ไม่มีเจตนาก็ต้องศึกษาเรื่องอะไรสแต่วันนี้เรมีตัวอย่างมีคนหนึ่งที่เป็นสารการก็ขบับรถไป นักข้อมือด้านนอกพอดีจะโดนวิบากอะไรก็ไม่ใช่ตอนนี้รถคัตไอ้ตัวรถตกระเบิดพ่อเขาจะต้อตายอย่างนี้จะต้องเป็นัำอนุญากคำไม่ใชพ่กระเบิดตัวรกพูดพ่อพูดพ่อตาพอดีนะเพราะว่าตัวรถเปิดนะรถเปิอะไรมันเดียวเลยรถพ่อมันอยู่รถคัตใช่ไหมครับตัวรถคัอไม่ใช่แล้วต้องกนรอรายอย่างนี้ คือว่าลูกชายขับรถแล้วพ็มาเหยรถเสร็จแล้วประตูรถติดแน่นพอเรี้ยวรืไอ้ความแรงที่เลียวรถเนี่ยประตูรถเปิดทางมาพ่อกระเด็นจากรถมาตายข้างอกอย่างนี้คนขับรถเนี่ยไม่ได้วัฒนกาเชือมัที่จะฆ่าไม่มีไม่ว่าฆ่าอะไรจะตามไม่มีขณะนั้นมีใจกำลังขับรถอารมณ์ของจิตเนี่ยตรงกันนเรื่องอืน่นๆไม่มีอารมณ์ที่จ้างจิตที่จะฆ่าขมานในใจเลยส่วนในกรณีที่ว่าพ่อแม่ไปแกล้งในหลอมฟางเปรียบไปในฟัง แล้วลูกชายก็ไม่รู้เอาอาอกหมาดเธอเลยลองฟังไม่ตั้งสิตคิดว่าในลองฟังนี่จะมีผู้ไร้าซ่อนอยู่ไอ้วัตถะเจตนาจะฆ่ามันมีตอนนี้เธอเองนี่อยาไปถูกพ่อแม่ตายมาภายหลังก้เขาว่าเอาแม่ไปแท้งในลองฟังแม่ก็ตายไปแล้วยังกรณีเค่นี้นะ่ะเป็นอนันตเรียกตามเพราะอะไรเพราะผู้ที่เป็นลูกชายนั้นนะ่ะมีวัตกะเจตนาจะฆ่าส่วนกรณีขับรถนี่เขาไม่มีเจตนาจะฆ่านี่ไม่มีเจตนาบอกกูขับรถเรื่องนี้กูจะให้ประตูรถเปิดผังออกมาแล้วใครก็ไม่รู้กระเด็นมากระชั้นนั้น ข้าครับว่ามีเจตนาว่ากูจะแกล้งขับรถให้มีคนกระเด็นออกจากรถตายนี่แนห่หอนนะครับจะต้องไปอันันตเริยก ร, รมแต่ขณะที่ขับรถเนี่ยเรียบว่ายเด็กเขาไม่ไม่ว่าตะวัตตกะเจตนาในเรื่องเกี่ยวกับการฆ่ายอดกมลใจเลยเพราะนั้นในกรณีนี้ไม่เด่ครับเป็อนอันันตเรียก ร, รมครับกรณี้เพราะไม่มีเจตนานช่ไห ม, มีเจตนาคิดวางคิดจะฆ่าไม่นี้แล้ว่าไม่ว่าจะฆ่าอะไรก็ตามไม่มีในขณะนั้นขอบคุณนะเออท่านผู้ใดมีปัญหาถามก็พเจิครับ อาจอธิบายถึงเรื่องตรรมะกับการหยัพะว่านักอาจารย์กล่าวว่าวเา ร, ราเ่กับร้อนเยอะเปเยอะทวา่าคอสองแคลงอสอะไรอย่างนี้ต้นบวงยัดแต่ไม่ให้เทา่าให้เราทำ้สร็นั่นเป็นธรรมะี่อันนี้ีกอนอาจารย์กล่าวว่ายิ่งต้นดวงหยัดทา ธรรมที่แท้ตเ็นอย่า ง, าางเห๋ืความ่าเชื่งตั้งแต่วนันน้ระหว่งางนนั้นมีความเปลีป่ยนแปลงเคว่าไม่เ่ากันเราเห็นการเปลีแลวว ง, งระหว่างทวา่าน น, นอย่างืาต่อกับธรมะตรงนนสองระนีะ้แต่ท่านไม่ไ้แว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดโปรดอธิบาย เราก็พูดถามถามว่าอาการขอความร้อนเนี่ยแม้แต่ชาติพัาธ์ต่างๆเมื่อไปตักษาเลยครับแต่ธรมะว่าตัวมีความรู้สึกจากการฉันฝัดเนี่ยมี่ันร้อนแม้แต่าติสายก็มีความสัมพันอย่างนั้อันนี้ไมในหน่ในหน่งในหนึ่งับนหนึ่่งมี่ถามต้องการถามใ่งอะไรครับถามไม่พอใจเนี่ยรถามว่าทำไมทีมันแบบความร้อนในว่าอยไม่มีนะครับ คออยากเข้ามาไงอาจารย์คิือปรมาิตย์นครับในแรกบอกว่าไม่ให้พูดเข้ามาให้ใช้ความรู้ว่าร้อนจะร้อนทั่วไปนี่นั่นคือปรมัิตย์ถ้าพูดมาเป็นมันเลยื่อไหรคิดแงืนึงบอกว่าไม่ใช่ปรมัติที่เหมือนตั้งัห็นได้ในยางุมเฉ่อนอย่างนี้ความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นงมันมีความเสี่ยนแงระหว่างความร้อนนี้นเหรือมันร้อนไม่เข้ากันเองถ้าเหตการเกิดขึ้ในระหว่างร้อนไม่เร่องปรมาิต์ สองไนนี้จะถือในในไหนไม่สัดสัดสองใ น, นนี้แหละครับเืยที่เราถามๆนี่บอกว่าความร้อนนี่นะในแนในแนวปรามัดน่ะลาพูดดีปากออกมาเป็นบรรยักิรองละเป็นร้อนแพร่ในแนวปรมัดจะต้องอาศัยพวกสาเริวการสัมสผัสถึงจะรู้อาการที่เป็นพวกสพารมในความเย็นรออ้อนอ่นงเนี่ยเป็นปรมัดแพร่ทีเดียวแต่ถ้ามาพูดว่าไอ้นั่นร้อนไอีร้อนเขาสามมัก็าทีมันอยากตายไม่ไร้หนึ่งกันนะฮะ อีกในหนึ่งว่าต้องรู้โดยยานความรู้โดยยานจะเป็นอ่ลูกปรมัตดแท้สองใายะนี้นะครับความรู้ในยานน่ะไม่ใช่รู้ในเรื่องจิตรร้อนครับเรื่องของร้อนหรือเรื่องของหมาไม่เกี่ยวกับยานเลยข้าจะพูดไปแล้วเรื่องของยาณอุตสาหะเนี่ยไม่ได้เกี่กยวกับเรื่องเย็นร้อนอ่อนอ่อนแองแต่ต้องการให้กําหนดในความเป็นอันจังทุกขังอนุตตรให้เห็นการเป็นของอย่างกล่าวไม่เที่ยงคงคงอยู่ไม่ได้ที่จะมุ่งยานทิดของยาณอุตสาหะเป็่านี้ เป็นเงินล้านอ่อนแข็งหนักเป็นหนึ่งสภาพเรื่องต่งของนิติบัญญยานที่ให้รู้เงินล้านอ่อนแข็งจนเพียงเดียวต้องการทาลายคณะสัญญาคือสัญญาที่เขาไปยึดถือเป็นกลุ่มเป็นกลอนว่เป็นลาวเป็นของของเราเป็นกลุ่มเป็นกลองนเปนเนี่ยว่าเราไม่แยกประเด็นออกมาว่าแค่ทิ้งสนกลองนี้มีมันมีแต่ไอความร้อนความอ่อนความแข็งความเหลวไอไอเป็นตะไามเหลวแบบฮาเปี่ยไอแก๊สาเร่าพลาไอความร้อนก็อุณหภูมิะก็เป็นตเพร่าพาไป แล้วก็ไอ้ปฐวีธาตุเนี่ยคือการแข็งนี่คือการแขงตัวมันเป็นปฐวีธาตุตกระดับดินน้ำไตลมเหนือท้ระเทศทั้งวิยาศาสตร์ก็ได้แต่การแข็งการเหลวแตกเนี่ยแล้วก็อุณหภูมิอันนี้อันนี้เป็นเพียงแต่บุคภาภสำหรักให้ที่ปรัชนาญาเข้าไปเกาเพื่อจะกระจายญาณที่ยึดเป็นขณะสัญญาให้หมดไปกันนะไม่ใช่โดยเรื่องตัวญาณเป็นขณ เรื่องจิตนยานมะไม่จะเป็นน้ำมลุ่ยอะไรรอดอะไรอ่อนไม่จะเป็นธรมนื้งไปนี่ในเง้อไม่ชะยานัตถมะแล้วแต่นรืองหลอกยาแล้วเรื่องจิตในยาสมะมันเป็นเรต่งที่ำจัดกัเกเรขณะที่กํากัดเกเรไปวิจารนาปัญญาก็เกิดถึ่งความว่างความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์กํากัดไปเรื่อยขณะนั้นนี่าสนาเรื่องตก้ังมบอกว่าศาสนาพเทธคือศาสนาปฏิทิาทุกข์ที่สุเป็นาทุกข์นีิดนะครับแล้วก็บอกว่า ไม่ระวางเรื่อตระแบบเนี่ไม่ก็แค่ข้าบาทรนะคบเป็นเบเจ็ดอาชีพอดีไเห็นคนตานะแล้วทำมติดเปิดบาตรกันนีแต่ข้ามันบาทนี่นยาาามาเอง้อย่างนึงว่าเงินเหลือบาตน่ครับก็กเหลือเงินง น, นะฉันก็จะฟ้องไดนะแลวในข้อติศาลว่าทำทำพลาดนะครับ สั้แใน่เป็นชัพรเป็นชั้นฉนั้นอยากจะขอทำอพิบายศาสตร์อรด่าก็เลยนรณีแรกที่บอว่ายื่นบาทตาแล้วก็ตาไปพาะมีเท่าทิศของพุ่งบาทเนั่นะเข้าใจว่าจนมีสสถานนะครับสถานที่หนึ่งมีผูุ้กกระโดามาคให้จริงๆสถานที่หนึ่งสถานที่2อสวนจากท่านเก็บอาหารในในอากาศเนี่ยลงมาคือในอากาศเม่อที่เปียกส่อวันแบบนี้จนมีเต็มนอากาศเนี่ย ภาษาเราี่ปงนหมดวิทยาศาสตร์้าวหน้าถึงขั้ให้เครื่อ ง, งเรืีนในอางกฤมาเป็นยอดอาหารไม่่เมืม่อวัเราเรียกสมัทางน้ขั้นาจะไกินข้าวอาบากเิ่มละเหมือนกลิสีที่ว่ากินดาตาอะไรต่างกรท่อก็อิ่มเราญี่ปนอานาษเต็มไปหมดเลยเน่แล้วก็ใครจะใช้จิวิวิทยนี้อย่างรองไปทานต้องไปทต่างๆอย่างต่ำ ข้าจะไปสัแล้วก็อาศัยจิตเสี้ยะแจิตดาตัวนึงกระสจิตหนึ่งนเนี่จะเตลิดไปไปบริสุท์นี่มาเป็นห้องโคใหญ เ, เตลิไปเป็นสมเด็จลอาหารโวัตเลยของนาย่พระเจ้ากระดาษมันใส่บายรจริงๆยาเลยอีกนายาเลยใ้ะแจิตที่ข้ า, า, า, า, า, า, าไปซอาหารจากอ า, า, ากาศบรรยากาศรอบเราอย่างนีอาหาวิตา ม, ตตา ม, มินต่างๆไปไม่กกเทยต่างๆนี้หมดนะแตงกาเอผักเอและต่างๆไม่หมดเลยที่เราตั้นแต่เอเจัดเลยครับมันอาหารพวกนี้อตรต ็มันเนาหารยาเป็นกกระดาษาหารเป็ข้าวเห็นหอมนิ้ก็กินได้ทั้งในยักดวกันเรื่องเร่ึงึงเยึงเบี้ยอ่าบงเบี้ยงพืเนี่ยเป็นของทำเองก็ง่าเองเพราะว่าข้นที่ใดจะทาแล้วกรต่สิมีพลังงานเอาพลังงานกระต่ายเนี่ยไปลงไอ้าตทองที่มัน่ในธรรมชาติเอามาเอาพอเาอมาแล้วก็มาทาการอ่าสรงไ้่งไม่ต้องสุรงเเครืองเลยจเป็น ห่องโดยะใช้พลแหละช้าก็ได so, ้에너จีช้ากระด้คท่องเสร็จจะเป็นองเปลี Pull ่ยนภาวาออกมาให้เราเมอแต่เรื่องี้รยดสารเข้ับแลปกแล้ว hmm. นี is there? Is there ่ในี่สายของวิทยาศาสตร์ทำได้แต่วันละวันเป็นไกว่าจะต้องตั้งโรงงานสื่อทองตั้งโรงงานร่อนทองแล้วมาเร็ครองเนไงิเป็นเปนเป้นประคำเป็นไได่งจีนเต็มๆเลยจะใช้จจ่ทําได้หมดทุกอย่างก็ไม่ไรก็ต่อว่าไปตัวเราเนี่ยมีพลังงานที่รวมตัวกันแล้วถ็นปรมาณูได้ห เมื่อสามนะบอกว่าพลังงานตัวเาเมื่อเรียนตัวอวัยวปิระมาณี่เลยดุดึตะไ้กระสอาประมาณี่ตัวเราเนี่ยจะใช่หร oh! oh ือครับเอามาดึงคองธรรมนธรรมชาติมาเอามาเป็นอาหารเปนข้าทุกสายบาสมากินก็อนเรองจะแปลกอะไรเพราะฉะนั้นลกินใทางละทางหนึ่งพวกกระชุ่กอวัยวะข้าวจริงจรที่ทางหนึ่งจะสามารถผิดเพี้ยนปรุงอาหารพกนี้จากธรรมชาติไปใชเป็นไปได้ครับตรงนี้เวลาแล้วมั้งอาจารย์แวะมาแล้วเป็นแม่ครับ